ซีดีธรรมบันไดจุดฟันทีไรได้สุขทุกทีโดยพระพรองคุณาพรพอไปยโตวัชยาณเวสกวร์ดตาบุญบานกระทึกอําเภอสามการจังหวัดนครปฐมเรื่องที่15พัฒนาชีวิตกันไปเถิดความสุขจะเกิดมีแน่ไม่มีไปไหนบรรยายโน่นที่18มกราคมพุทธศักราช2540ขอเดินทางพัฒนาในนานของวัชยานเวสกวรสขท่านโวฆนาคณะโยบายนิดท่านเป็นข้าราชการเจ้นที่ ผู้ที่เป็นชาวพนักงานวิจัยโรงพยบาลรามาธิบดีทุกท่านที่ได้มาที่อาจจะมาในฐานะที่อยู่ในรามาธิบดีเองและอาจในฐานะที่อยู่ในครอบครัวของท่านที่พัฒนาที่นั่นแต่ละแต่ก็ถือว่ามาในวันนี้ก็มาในรูปบุคคลมาตั้งใจความธรรมนัตกันทันี้ท่านท่านผู้ดำเนินการติดต่อสำหรับวันนี้ได้ขอให้พูดในเรื่องว่าพัฒนากายพัฒนาคิดเพื่อความสุขที่แท้อาจจะตามัข้อเพี้ยนไปบ้ิดหยแต่ก็โดยสาระัญเป็นอย่างติดตามวันนี้อันนี้เรื่องพัฒนาพัฒนานี่ก็เป็นเรื่องที่ เราได้ยิได้ฟังมาอู่เสมอพัฒนาข้านอกกันมานานที่พัฒนาทางด้านวัตถุโดยเฉพาะเราที่พัฒนาเศรษฐกิจเป็นชาติมาระยะนี้ก็เกิดการเห็นชัดรับบทคืนว่ามันมีปัญหามากมายารพัฒนาานวัตถุหรือาเศรษฐกิจนั้นไม่ได้ทาให้มนุษย์มีความสุขที่แท้จริงทั้งตัวบุคคลและชีวิตจิตใจทังสังคมที่ยูต้องกันแลก็ทางสภาพแวดล้อมมีปัญหาเยอะแยะตอนนี้ก็เลยบอกว่าพัฒนาไปข้านอกไม่พอแล้วต้องพัฒนาข้างในข้างในก็มันติดตัวผก็เลยตอนมีหันมาเล่นการพัฒนาคนดังที่ ให้การพัฒนาคนเป็นสุดสัจ ว, ว่าการพัฒนาคนไม่ได้มาตัน่แผนพัฒนานี้แันมันก่อนแล้วแต่ว่าเราเนี่ยงทางเด่นกันแต่ว่าตอนที่เรามาพูดเกแง่ของการพัฒนาข้างในเนี่ยเราไม่พูดถึงการพัฒนาข้างนอกเรื่องเศรษฐกิจและสลังคมแต่เรามาพูดถึงพัฒนาที่ตัวตัวเราเองนั่นเองที่กระจายจเราต้องมีสองส่วนนี้แหละกระจายนนาาทีน่นี่การพัฒนาข้างในนี่ก็เป็นต้นทุนแต่การพัฒนาข้างนอกในแง่หนึ่ กรรมอย่างไรมีความสามารถแ่หจะไปพัฒนาข้างนอกได้เห็นนั้นในการพัฒนาข้างนอกก็ต้องอาศัายปจยัจจัยของปาปฏิการพัฒนาข้านาที่กประการหนึ่งไม่ได้แค่นั้นหรอกตัวคนที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะอยู่ในสภาพแวดล้อมข้างนอกไม่ว่าจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาแนั้ได้ย่างหลแลันก็มีาาสอั้นตอนกที่เราต้องพัฒนาตัวคนเนี่ยน้อยก็คือว่าในเมื่อสภาพแวดล้อมสังคมภายนอกนี่มันมีความเปลี่ยนแปลงและโดยเาปฏิบัตินีอินเตอร์มีัามากมายเิยแลายจะบ่นแบบที่ว่าถ้าจะซิ้งวันแต่สัง ในดาวเดชิตนี้ก็มันเป็นปัญหาใหญ่แค่ปัญหาเดียวก็ทุนไทยก็จะเอาตั ว, วไม่รอดเลยไม่ต้องพูดถึงปัญหาอื่นนลปัญหาดาวเดิเนี่ยปัญหาเดียวก็จะไม่รอดเลยนอกจากจะมีปัญหารโรคเอดส์เขาเข้ามาทำบบอย่างรุนแรงมากประเทศไทยก็ได้ชี้ว่าเป็นประเทศที่เป็นอันดับที่ได้อาสุร่ายในเรื่องโรคเอ้ส์ไม่ต้อกลับไปก็อาจจะเป็นอันดับหนึ่งในโลกามาก้าวขึ้นาตามกำตัวคือเก่งคนไทยนี่ก้าวในเรื่องนี้นี่เก่งมากเลยทั้งว่าเวลาที่ผมตายที่โรคเอดส์นี่คนไทยบอกว่าชั่วโมงละสี่คนที่คนที่ไม่ได้เบาในเร ญาตยมมาจากยกใหม่บอกว่าที่วัดรับเดี๋ยวนี้ เ, นาาเป็เผ่าละตฮัาบอกตายมาจากไม้ททีนี้ตอนนี้สถิติการตายโลเกเหตมาเป็นอันดับหนึ่งของสาการตายของคนไทยที่จะสอนีตายมากที่สุดด้วยผู้ปรบบเห็นเมื่อส า, ามปีก่อนนี้ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้มาเา พ, า พ, าพาต่ตามขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเรื่องสาเหอุบัเหตุก็ไม่ใช่ดีที่ักแสดงทิางเขามแสดงทามเข้ามาตายีโลกเหตุจะดีหนักขึ้นไปอีกนี่สภาพสังคมเราเรามีปัญหาเยอะแยะเราไม่ต้องมพูดกันแล้ว ในการพัฒนาตรวนี้อย่างว่าจะมาช่วยให้เราภตานทาว่าเราจะอยู่ดีในสภาพอานาศปร้อนอย่างนี้เผมันรับดูมันได้ดีดที่สุดา่นะอให้มีพุกน้อยแแคนี้ก็ดีท่านที่หนึ่งแลนะ้วน่ว่าเราคงไม่พอใจ่ น, นี้หรอกเราก็ขอใจที่ว่าจะให้มีความสามารถนอกจา ก, กนั้นเราจะมีภูมิ้านทานรับดือ ป, ปัญหาวรุ่ภายนอกให้มีคนควบจรอมุกน้อยแล้วก็วถือว่าสามารถที่จะพัฒนาตัวเราให้ทนันสภาพเปลี่ยนแปลงของสมปรับตัวได้อย่างมีความอย่างมีประสิทธิภาพเอาประโยชน์ ท, ท, ทาให้การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนี่มาเกิดประโยชน์ใน เราพัฒนาตัวเราให้ทันเรื่องมันนะถ้าเราพัฒนาไม่ทันนี่เราใช้ประโยชน์ไม่ได้เนี่ยเราตายไปได้รับโทษหนึ่งมันแต่ถ้าเราพัฒนาตัวเราดีนี่เราเอาประโยชน์ห่ันได้ถ้าคนไทยนี่เป็นปัญหาแสดงว่ารู้จักใช้ความเจริญให้เป็นประโยชน์หรือได้รับโทษห่งมันได้รับคุณรโทษหงมันมากกว่านันอันนี้ก็เป็นปัญหาแหลถ้าเราพัฒนาคนให้ดีเราเอาสิ่งที่เรเียกว่าความาเจริญเนี่ยมาใช้ประโยชน์เนะ้่ยคอว่ามีแง่บุ๋มของการปฏิบัติเทคโนโลยีนี่ต่อจากนั้นก็คือเอาเราเก่งไปพัฒนาคนให้เก่ สามารถสรารเอเลยนำทางการเปลงนำทางคาเจริญจะให้คามเริญไปนในรูปไม้ ห, หนึงไลพัฒนาที่แท้อในตัว น, นเดี๋ยวต้องมาถึงขันที่านี่ก็ยงน้อยก็เอาแล้วเป็นสาทานถ้าสมติ่าให้ภ้านทาสาที่มันเป็นปัญหาสพกระั่างอยู่กระแสที่มันหลแรงอย่างเี้ยเราจะดูได้อย่างไรที่จะมีความเข้มแข็งพอทนันที่สก็ือว่าเอามันได้เปเ็นอยู่ข้นที่สก็คือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลให้เป็นไปในทางที่ดีการพัฒนาคนต่อสามขั้นนี้ก็ไล่ถึงขั้นี่สาม คือมีร่างกายกับจิตใจแต่จะนั่ก็พัฒนาให้ครบเป็นสองดา้านแต่ว่าความหมายของการพัฒนากายนี่เป็นหน่่งในเป็นเรื่องที่น่าศึกษาดูมันอาจจะไม่ได้มีความหมายแค่แค่เตียงแค่แแที่มองเห็นรูปจักรแลวออายครอร่างกายเลยแค่นี้แตเราบอกพัฒนากายก็คือทำกาให้เจริญเติบโตก็ถือว่าก็ประานอาหารเป็ตในาราา่างาของเราแข็งแรงแลเจิญเติบโตเด็กกเป็นผู้ใหญ่ยุยย่ง้เรียกว่าพัฒนากายในทางธรรมดานี่ไม่ได้บอกแค่นการพัฒนากายก็ได้มีความหมายแค่นั้นพัฒนากายนี่ก็เป็นส่วนนึ่งในระการพัฒ พวกเรายะจากริงแต่เวลามาจากปกรบวนการพันานี่ต้องแยกด้ยก้ีหลายด้านพวกเราไม่มีชีวิตหลายด้านที่เราดเนินชีวิตอยู่เนี่ยเราทาอะไรบ้างโยมอแยกดแล้วมองชีวิตอนเราชีิด้านแล้วอย่าง้อยเราปฏิบัติต่อชีวิตของเราในด้านนั้นให้ถูกต้องแค่นี้ก็เริ่มระบวการพัฒนาแล้วต้อกรก่อนว่าเราเนี่ยมีชีวิตเป็นอยู่เนี่ยเรามีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรอะไรที่เราเป็นอยู่อะไรบ้างที่เป็นอยู่เป็นอยู่เนชีวิตเนี่ยก็ต้องมาดูแยกแยกเอาไว้อาจารจะจะบอกให้เราเห็นว่าโอ้เริ่มต้นเลดูไปข้างนอกขึ้นข้างคนเราก็จะ การเคลนไหวก็จะมี2อย่างการขึ้นไหมใตางจากการที่อนไหวทางวัฏจักรที่ดูสภาพหลักานของเราการเคลนไหวเดินเทินทําน่นทำนี่เนี่ยเอามือเอาเท้าไปทาสิ่งต่างๆเรื่องตั้งแต่รับประทานอาหารเนี่ยใช้การเคลนไห่แล้ก็ทิ้ด้านก็คือเคลื่อนไหวทางวัฏจากรและทุกอย่างี่อภาพหลักฐของเราอันนี้หนึ่งเลยทีนี้นี่เราเรียกว่าอะไรทั้งสองย่างเนี่ยชีวิตของเราที่เป็นดีเคลื่อนไหวใจทางวัฏจักรทำกันมือทำกันน่สิตการทุนนี่เนี่ยเราก็เรียกันง่ายๆภาษาเคลื่อนไหวไม่ได้เราพูดดีกว่า โอ้จะมองน่พฤติกบบรกกรมตาวตายตาเราะที่ทเนี่ยเพราะเราจะดำเนินชีวิตอยู่ามต่างโกนี้ที่เราได้กระสแม้ร้อนเราก็ไปอยู่ข้งกระสิบต่างๆเพอจะเอาไปดูดเมันหรือว่าเพื่อจะปกป้องตัวเองหรื อ, อยังไงก็ตามให้ชีวิตของเราไปไปได้ดีในสภาพแวดล้อมเหล่านี้เราก็เลยเราก็เยีพฤติกรรมขึ้นมาในการไปสัมพันธ์กับสิบแม้ี้นจ้ิงแม้ร้รที่ไปสัมพันธ์นี่ก็ต้องแยกดีกว่ามีอะไรบ้างาเราดูดูไปจริงแม้ร้อนนี่เมือนวันนี้จะมีอะไรมือมนุษย์เดียวกันสิเราปอยู่กับเพ้่อนมนุษย์ดีเจอคน กินวาเลืต้มที่มาตื่เช้าอาจจะไปอาบน้ำอาจอาะอาจะรับ ป, ประทานอาหารที่ก็น้ำอาหารเป็นต้นแล้วเราไปสนนน้นทางระตถุสิ่งองเรื่องใช้ทีเทคโนโลยีต่างๆและธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยต้นไม้บินข้ำอากาศเนี่ยก็เป็นเรื่องของสิ่งแลอมอีกนันก็เราก็มีวขขมมาามความสัมพันธ์กับสิ่งแวล้อมเพื่นอนรู้เรื่องทางเรื่องภูมิอากาศและสิ่งแวล้างวัถุเช่นปัจจัยอารต้นเนี่ยนี่ก็คือชีวิตของเราด้านเราองสัมพัน์ยถ้าเรามีความสัมพันธ์โดยใช้พฤติกรรมกับสิ่งเหล่านี้ดีถูกต้องชีว รรับปัญหาเกิดปัญหาจตัวเราหรือเราไป็ูปอัญหาทปัญหาแก่ผู้อื่นนันิก็ได้เราเดอการเ็ดเนทำให้เามเดืดร้อเพนมนุษย์นู้าไดีก็เกิดปัญหาแล้วเนี่ยืก็เกิดความขัดใจแล้วก็เกิดโต้ตอบมาไม่ดีเกิดปัญหาที่เราใช้กายเคลื่อนไหวไม่ดีนีอะไรมันถูกไม่ต้องมีพฤติกรรมกินกินอาหารที่ไม่เป็นกินไ่ินอาหารที่มันไม่ดีก็เท้องเสียที่มันก็เกิดทุกข์มืนกนพฤติกรรมเราเป็นเรื่องที่ว่าเ็าต้องจัดการกันให้ดีให้ จะเป็นเพื่อนมั น, มนเป็นอารประจามเนวัตถุสิ่งของประจามหนึงแล้วนะทีนี้ที่เรามพฤติกรรมอย่างนี้นะอ้าวที่จริงมันไม่ได้ออกมาเฉยๆนะมันมีความตั้งใจนะถ้าไม่มีความตั้งใจพฤติกรรมน้ไม่ออกมาพฤติกรรมที่ไม่ไมีความตั้งใจนี่จะเลื่อนลอยและก็ไม่ค่อมีผลนะแต่ว่าถ้ามันมีตั้งใจแล้วมันมีผลยั่งอยู่เพราะว่าแสดงว่าที่ใจเชอย่างนั้นตั้งใจอย่างนั้นมันลึกซึ้งไปิอาจจะมีเรื่องของมีความระเบียบของจิตใจมีทิศสายที่ตัดตรงไปเนี่ยแต่ว่าี่วงราถึงพฤติกรรมจ มีรูใจในการที่จะ ท, า, ทางอาแล้วมีคุณสมบัติในจิตใจเช่นเป็นุเป็นพาพาบาปเป็นผู้เป็นอาชญากเป็นความดีความชั่วปนปรุธรรมหรือไม่ใช่ธรรมนี่อันนี้ก็สำคว่าแล้วตอนที่เได้จิตใจสทุกถ้าหาว่าสุกขก็อบใจอะไรทำให้เราทุกขอบใจเราก็มีความนมเอียนที่จะไปสัมพันธ์ในสิ่งนั้ น, นถ้าไหนทำให้เราทุกข์ไม่สบายใจเราก็มีความโน้มเรียงที่จะมีที่จะมีหรืออาจจะเกิดพฤติกรรมในทารทำลายเกิดความสัมพันธ์ในทางพฤติกรรมที่เป ก็ในการที่เราจะตั้งใจยังไงนี่เราจะองคืการยังไงต้องมีตัวนึ่งนะทุกครั้งด้วยไเคืนไยังไงเราขคือนหได้ตามวามรู้ของเราเรารู้แค่ไหนเราก็จะลไหได้ตามนั้นเรารู้เข้าใจที่เราอยากได้อะไรสักอย่างหนึงเรามีปัญญารู้ว่าเราจะต้องทอะไรแค่ไหนเพื่อได้สิ่งน้มาปัญญาของเรารู้แคไหนเราทำไดแค่นแล้วเวลาเราตั้งใจเวลาพฤติกรมไม่มีัปัญญาคามรู้ก็ปัญญารู้แค่ไหนทำได้แค่ไหนถ้าคิดละเอียดยิขึ้นพฤติกรรมต้องตามสั่งสอนมากขึ้นนี่คือชีวิตของเรารับที่เคลื่อน ในเวลาจะไปพัฒนานี่เราต้องพัฒนาโดดทั้งทุกด้านของชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาแค่กายใจหต้องพัฒนาไปบจากที่พูดมาที่เราเด่นว่าเรา้งจัดการกับชีวิตเราได้ด้นทรื่ด้พติกรรมที่ไปสัันกสัมกับรัตุงน่ต้องรู้จักจัดการพฤติกรรมให้ดีที่สุดคนไหจัดการได้ดีมีความสามารถในการจัดการพฤติกรรมนั้นคนั้นมีาพัฒนาาหากว่าไม่มีความสามารถในการจัดการก็ดงว่ายังไม่ได้พัฒนาในด้นพฤติกรรมนี่อันน้ที่สำคัญทุกเพราะพฤติกรรมนี้บอกแล้วว าาทาาเขยแยกอันนี้ออกให้เป็นส อ, อย่างในร้ฐพุทธิ ก, กรรมก็แยกเป็นสองระดับคือพุิกรรมที่สมัมพัน์กัสิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุสิ่งของเรื่งใช้เทคโนโลยีปัจัยสี่แม้แต่ทรรางาคแวดล้อมม้นตเขาเรียกน่างเงี้ยอันนี้เรียกเรียกอันหนึ่งเรียกว่าเป็นพัฒนาดัาาาดาากตายเนี่ย ท, ทีมาคุยบพัฒนาการเนี่ยทางภาคนสพัฒนากาก็คือพัฒนาความสัของเราโดยาทางพุทิกรรมนี้กัสิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุเริ่มกระจายอาหารการกินเป็นต้นซึ่งตัวที่เป็นสัมพันธ์ ก า, ารดูการฟังเป็นต้นของเราบาทีเราไม่เคยนึกว่าการดูการฟังนี่พัฒนาเรืน่นี่แหละทีเราพัฒนาารไม่ได้ไปทำให้ใร่างายเจริญเติบโตรับประทานอาหารับรานยาใโตแพัฒนาการาา ไ, ได้เอาแทนอันนั้นเป็นเก่พัฒนาารนี่ก็ถือนี่แหละส่วนร่างกายของเราที่จะปสมัติสิร้องให้เกิดผลดีชีวิตเ้นตาหูจมูลกลิ้นตาเพราะฉะนั้นพัฒนาว่า เ, ออเราจะมีพฤติกรรมในการดารอย่างไรในการทําอย่างไรที่จะเกิดคุณค่าในประโยต่อชีวิตไม่ได้เกิดโทษถ้าดูไม่เป็นใช้ตาไม่เป็น พัฒนาการก็หมายถึงพัฒนาพูดต่ำอีกทีฤติกรรมในการทดลองจะติองได้ลองทำโดยทางตายวัชาโดยทางจิติาหรือวมามีวิจัยและก็เข้าไปติใส่เข้าด้วยอย่างนี้เรียกว่าพัฒนาการที่แท้จริงถ้าผู้อย่างนี้น่าจะเห็นช่องถามของการพัฒนายอหรือว่ามีผบตัวชีวิตของเราอย่างไรในาราดูการฟังนี้เป็น้นต้นของการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ยปัิวัตนี้มักจะมองข้าแล้วตเด็กจะดูชีวิตไเป็นประมาณใช้เทคโนโลยีอืบใช้คอมพิวเตอร์ใช้เป็นนี่คือปัญหาของการขาดการพัฒนาการแต่ตอนนี้เราเนาะอยายจะแ แล้วได้พฤิกรรมซอยไปอย่างที่หิกรรมทีพันธ์กัรอมทั่ไปเรื่อารับประทานอาหารก็รับประทานให้เป็นใช้เตือนพาทุกคนเพรานตรงนี้ยู่ในพัฒนาการหนต่อไปก็พฤติกรรมที่สัมพันธ์เราจะเป็รับทางสังคมเป็มนุษย์อันนี้ก็ต้องพัฒนาพัฒนารื่องการพูดเจตจารพูดยังไงเขาตีเจ็ดเข้าใจดีพูดยังไงเขาตีจะสบายใจพูดเฉยเอาสบายใจเราให้ตัวเราชอบใจไม่อบใฉะนั้นเราพัฒนาเพื่อไรดีเาจะพัฒนาในงี้ยวแบบที่จะตั้งใจพูดให้เราสบาย พูดไปตามชอบใจเนี่ยเรื่องอะไรที่เราพูดเนี่ยอย่างนี้กัลยาว่าเจอปัญามากทีสุดใชนแต่นี้ก็่ต้องมือที่ใส่จริงจริงี่สองเป็นคนมีปัญญาขึ้นหน่อยพูดเพื่อประโยชน์แต่ดีแต่ว่ามีปัญญาบองสิ่งบางอว่างเราจะได้ผลประโยชน์จากเขาถ้าเราดีกัเขาเนี่ยตอนี้เนี่ยรู้จกักควบคุตมติกรรในการพูดรู้จักแต่งค่อยแต่งให้สุภาพให้รับคนรักใก็ชอบใจแล้วเขาจะได้ให้ผลประโยชน์อันนี้ก็พัฒนาที่มาขั้นหนึ่งจะเห็ว่าวาจาจะกระดิดขึ้นวาจานี่จะรู้สึกว่าสลับสลวยหน้าตังาาาาานใหนต่า พูแบบว่ารูกกับเาขาเขาได้อ่อานนี้ก็เป็นเรื่องขการพัฒนาวิธการทางวาจาที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตัวเองทีนี้พัฒนาคนนั้นพัฒนาโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ตัวเองเย่ยตั้งใจแต่ว่าเราทำไงจะให้เขาเป็นสุขอยู่ในบ้านก็อยู่กับแคร์ม น, นะ น, น, นเะแล้วลูกี่ยวทังไงจให้แปลงนี้สบายใจมีอะไรที่พูดหรืออะไเขาจะไม่สบายใจให้พูดลังกฎทนไหมนะขอพูดในทางที่จะทําให้เขามีความสุขสบายใจพอตั้งใจพยายามอธิางผู้อ่านจริงต้องใช้ความเข้มแข็งของจิตใจมากถึงต้องใช้พลังความสามารถในการที่จะมา สร้างในการที่จะรูมแต่งค่อยคำเป็นการที่จะลงับควบคุมจิตใจตนเอ ง, อ, นนเ อ, งอันนี้ด้านที่กว่กการพูดเพื่อประโยชน์ลประโยชอันนี้ท่านเนี่ยที่พัฒนามากที่สุดในการใช้าวาจาคือพูดยังไงเนี่ยจะให้เป็นวาจาที่ทำให้คนอื่นเป็นสุขพูดพวกอันนี้กกาได้ว่าเราก็พูดเพื่อให้คน่นเนียได้มีความสุขพูดเพื่อประโยชน์แก่เ ข, เขาเขามีปัญหาเขาขาดความรู้เรื่องอะไรก็ไปเแนะนำพ่อไทางที่เป็นที่เหลือเชอถูอเด็กพ่อแม่ก็นึกถึงลูกว่าทำไงจะให้ลูกเนี่ยได้เกิดความรู้ความเข้าใจอยู่ใน แลถ้าอย่างนี uh uh ้ลูกกรรมการก็จะพูดอะไรกับพ่อแม่ก็ที่ประโยชน์ของพ่อแม่ม่ได้ที่ถึประโยชน์ของตัวเองเดี๋ยวนี้นะอาตมาขอแทดว่าคมเนเป็นเนนึงแง่ว่าแม้แต่พัฒนาคนพงมุ่งในแง่เพื่อสนองประโยชน์สูงมากใช่ไหมก็เลยกลายเป็นจิตวิญญาณแบบตอนจบจิตวกาณตอนจบนี่แต่จิตวิาแบร่วมกับเราคช่ว่าเราจะทาอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อประโยชน์ของเราเนี่ยเราพูดให้เขาท่าท่าเพื่อเขาจะได้ให้ผลประโยชน์แก่เราแต่ถ้าคมณได้ตัดหนานนี้มันอย่างนั้นถือว่านั้นมันอย่างพัฒนา การวดสังคมแล้วก็จะนัาพฤติกรรมแลเราจะอยู่ได้ดีเนี่ยเราคงทำไปตามชอบใจไม่อบใก็ได้เาแค่ตามชอบใจไม่ชอใจเพื่อเรื่อนทะเลาะกไว้ขัดแยงกันทั้งลันนี่ยเรห็นว่าเราไม่สนใจใรใจราพูดไม่ได้ทุกอย่างใช่ไหมเราพูดทุกอย่างเปนดุหนึ่งนั่นก็ต้องมีการควบคุมดผติกรรมทั้งวันอันนี้ที่เกี่ยวองกับการล่พฤติกรรมในทางสังคมอย่างน้อยฉันต้องให้หลักไว้เดสิบห้าือว่าอย่างน้อยเอาพฤติกรรมนี่ถือว่าไม่ดื้อปูนเขาเขาจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนจะไปต่ดพามเดือด้อนพ สก็ขออยากให้เป็นรื่องของผู้ครอบครองสี่ก็ขออยากให้ทลายผลประโยชน์ทางัฒนวัจาร่อกลวงครับแล ะ, ละสี่ก็ขออยากให้ไปคุกคามต่ อ, อความรู้สึกมันม่นคงปลอดภัยของคนนี้ด้วยการเสพยา เ, าเม า, เาที่เจ็ดติดตัที่ทาให้ขาดสติเพราะคนที่ขาดสติด้วยสิติดนี่เป็นผู้คุกคามต่ อ, อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของคน อ, คอคื่นอันนี้ไม่พูดถึงตัวเองนะฤาีนี่มุ่ ง, ง, งไปแง่ของผมเลยนะแล้วจะเห็นว่าสี่ข้หานี่เราไมา่จ้ไปติดตัวในแง่ของผมเสียตัวเองแต่ผมเสียตัวเองมันเป็นเรื่องนึงแต่ว่าสี่น ก็ไปดึุลยามานี่มันผู้ขามตอความรู้สึกมันองปยผู้อื่นในกัน้อยนะพอเราเมาปับนี่คนอื่นเขาไม่แนใจแ้เราเาเชไเนี่ยพาเขารู้เสียความรู้สึกลอดภัันคงความไว้หังใจไปเลยมาทางไหนก็ไม่รู้ทำได้กอางคนเมา่ขาดสติแล้วเนี่ยแล้วอย่างขาดสติอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแม้ไม่ได้ตั้งใจอย่างเช่นาขับรถนั้นเราขับรถไปในถนนถ้าเราเกิดความรู้สึกว่ารถคันที่ขับลุ้นมาเนี่ยมาแล้วหรือรถติดู้อคัน้ คนที่กินยามาก็เป็นผู้ทำลายเป็นผู้คุกคามต่อควรู้มั่นคงปลอดภยของผู้นี้ะนั้เป็นอันตรายแลก็พายามไม่เกิดอุิเหตุที่รัจิตน่าจะกายคนไม่มีจิตจะทอะไรก็ได้ทายผู้อ่นกได้ซึ่งกรณีกรณีคนินยาว่าเราถึงเราขาดจิตน้อนนี่องคนเขาจะมาทำรายตัวเองเอาเด็กจากไปเป็นตัวประกันเอาหนี้จอคอเอาดีบาร์คออะไรอยางนี้นหะเพราะนอกจากเด็กคนนั้นจะถูกคุกคามแล้วช่มนุษย์ถูกคุกคามความร้สึกมั่นคงปลอดภัยของผู้นี้จะต้องตกใจ กางตาบอกเราคือเริดสี่ทางตาที่เรียกว่าให้มีี่ทางแต่ที่งไม่ใช่นั้นหรอกให้มีพฤติรมที่เพื่อปูนตอบการทั้งทายจทั้งวัตถาแต่รูนั้นก็อยู่ในการวัตถาที่ก็การพัฒนาด้านนี้ที่อยู่จะตัวเป็นพื่อนมนัษย์เป็นสังคมอันนี้เราพัฒนาสิอันนี้เรียกว่าพัฒนาจการให้ตาดูวางการให้ใจวัตถาทั้มดเป็น่งเรื่องร่องการรับประทานอาหารชิมดอไปแต่การนี้นี่พัฒนาใจแล้วจะมาพัฒนาสิอยู่ร่วมสังคมเปมนเพื่อนมนุษย์แล้วตอนที่มีคุณธรรมการพัฒนา ครับยังในส่วที่จะถาดความประโยชน์ตัวเองทำแต่ีทำประโยชน์ประโยชน์ยังมีแสดงว่าจิดใจลดแข็งแกร่งขึ้นมาอกถ้ไม่อยู่ใจทีนี้นาทิ่าที่มีใจไม่คิดเหตุแต่ประโยชน์ส่วนตัวแล้วคิดพุ่งไปประโยชน์กับผู้อื่นบางบีต่อแฟนบางีต่อลูกบางีต่อพ่อแม่บางีต่อเครื่อรรทุกทำอะไรจคิดแต่ประโยชน์กัผู้อื่นอันนี้่อยู่ที่ใจเหมือนกันดนั้นพฤติกรรมีออกจากใจก็งพัฒนาใจให้มีคุณธรรมล้กคุณธรรมนั่นเป็นพันของพเจ้าตใจนความถ้าเราคิดคุณธรรมด้วยความุก อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเราแท้จริงปัญญาเาบอกให้ใจตั้งใจว่ติกรรมอย่างนั้นใช่หปัญญาประสารติใจเติกรรมจิตใจตั้งใจไปตามที่ปัญญาบอกปัญญาชี้ชีนช้นติใจว่าจะให้ทำกอติกรรมางรออกมาเป็นชั้แลพฤติกรรมก็เป็นไปตามบัญชาของจิตใจภายใต้การชี้นของปัญญานี่้เราัฒาปัญญาได้มากปัญญาที่มีความสามารถารชีู้ว่าประโยชน์อ่างนี้ประโยชน์แท้จริงประโยชน์ที่แท้จริอยู่ข้างนก็ปรับจิตใจกปรับพติกรรมตอในที่สุดก็ไปพ ตอัญญาลู้ใจตอนแรกัญ้ใจแต่เรื่องชีวิตตัวเองมันจมองแค่ประโยชน์ตัวเองต่อมาันเข้าใจโลกใชีวิตเข้าใจสังคมเข้าใจธรรมชาตินรอบเข้าใจสำคัญเข้าใจธรรมชาติทั้งหมดโอ้มันเห็นความจริงของงต่างๆแล้วเมื่อตายรจิตใจโลกตัเป็นทสละมันไม่มีอะไรที่จะต้องามาด้ตัวเอลไอ้จิตใจที่เจปัญญาลูกมามจรอย่างนี้มันจะกมีความมั่นคงแท้ว่าม <im> ันจะมันทำที่สมบูรณ์ใช่ไหนั้นปัญญาก็เลยต้องพัฒนาเป็นหลายขั้นตอนาต่รวมภาพก็คือเท่าที่พูดมาในนี้จะเห็นว่าการจัฒตาด้วย2 พัฒนาพฤติกรรมในการอรสังคมเบาพัฒนาสิ่งนะดูตเษ อ, อยู่ไงไม่เ็ไม่ ก, ไม ก, ไม ก, าการรีนการช่ยกูันและข้อพัฒ น, นาจิตใจตัวเองให้ดีงามและมีความสุขและมีความเขแผสามารถรตัวเองได้และข้อพัฒนาปัญญาความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่จะมาชี้นาให้เราได้สามสารถดำเนินชีวิตพฤิกรงเราไปได้ดีที่สุดทีุ่กข้าวเป็นไปไ ด, ด้วยมันเป็นคนสม่สนะทีนี้คราวนี้ก็เทาัมาตกลงกันว่าัน้อรบสี่ดแล้วว่ด้านนี้สมัครช่วยกันกัน ระดใจมันจะทได้แค่นกบปัญญาที่นำเพราะต้องพัฒนาปัญญาิะปัญญาจะพัฒนาได้ยังไงันปัญญาคุณก็ต้องพัฒนาพฤติกรรมไปหาข้อมูลไปหาข้อมูลก็ต้องเคลือไหวพฤติกรรมนี่จ้ะต้องเีรู้จักไปอ่านตื่นไปก้นห้องไ ป, ไปห ด, หดเดินไปดูอย า, ากใช้หูฟังแค่ไม่เลยหรอใช้พฤติไปหาปัญญาได้หรือจะไปสัมผัสกับคนมนย์เป็นต้องรู้จกพูดสาจริตต้องรู้ักตั้งามคำถามไม่เป็นรพราะไม่เข้าใจพูดไปตั้ชมไม่รู้พูดไปไหนเนย จะยาวเชอนอย่างไม่พยายามิต่ตนว่ไม่พยาาคิดปัญญาญก็ไม่เกิดหรือคิดมันกจ็จใจว่าหุ่นสับสนคุณมัวดุจนอนแล้วมันตรงอทุกทางคิดไม่ออกนี่ประทังใจให้สงบเป็นสมาธิจิตใจมั่นคงแน่แสงบมองสายฟ้าผ่มองอะคิดอชัดจต้องลงจิตใจก็ช่วยบรรดาเนนแต่ปัญดาในัฒ น, ญญานาก็ตา้ายจิยตใจตอาศัยพิจรรมัวนไปนหมดเลยพิกรรมเป็นไปในยที่จิตใจั่งปัญดาชีพนาจิตใจจะเป็นยังไงต้องอาศัยปัญญาที่จะบัชีช่องทางให้แล้วจิตใจนี่จะมีความสุกควากรมเกปเ้องอาศัยพุทธิ นี esto, ่ม <interject>, ันต้องมีได้รื่ยแหละโยมาที่เนี้ยถ้าสังเกตดูเนี่ะมันก็เกิดการพัฒนาถ้าท่านยยุ่งการงานอยู่การเรื่องของวัตถุอยู่กับตึอยู่กับคอรแล้วันนี้เกิดมาที่นี่มาเจอต้นไม้มาเจอสายลมแสงแดดมาเจอสระน้ำมองไปลแลใจสบายมองเห็้ามองไใใจกับวของใสนี่แค่นี้ใจพัฒนาเใจข้าสู่ความสงบความที่เ้ก็มีความสุขขึ้นอันนี้พพัฒนาเนี่ยนี้ที่เราพัฒนางนี้เขาเรารู้จักอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ก็คือมันมาทางไหนล่ะที่เราใจสงบสบายที่ธรรมชาติเป็นลมก็เพราะว่าเราม กลิ่นบ้านแก่งๆใไม้ก็ฟิวอะไรต่างๆมีเสียงธรมา์เนี่ยเราก็ได้เห็นได้ตาได้ความเสียงธรรมชาติเนี่ยจาเสียงใบไม้ที่โดนสายลมพัดฟิวแล้วก็ยังมีเสียงนกเสียงต่างๆเราวิภสุดยันนี้ก็เป็นรปพฤติรรมสัคนไหนคิดใจไม่ชอบิ่งเลานี้นะชอบแต่เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของผู้คนเสียงเระทุมตามนะครัตรีไทยพวกโเอะไรนมันเจ้อย่างนี้จ้ายใช่ไมนีพวกนั้นไปในที่เสียงดังมากๆแสงสีให้มันจาก้าไปหมดอย่างนั้นเขาจะรู้สึกวิภาสุดและแต่ว่าเราจะมีท่าทีที่เราจำกัดหลายอย่างบางครั้ ปรามอการในเชธรรมชาติความนามของสิ่งที่มีที่เป็นธรรมดามันเนี้ยะางที่เราไได้ความสุขแค่มันเป็นตัวหนึ่งเนียที่มาีก็แปลว่าเราได้อาศาาัยตาหูเป็นต้นของเราเนในการทาัาผัสกัสิงอร แ, แล้วถ้าเรารู้จักพัฒนามันแล้วก็ไปสัมัสกับการพัฒนาจะไดจิตใจพฤติกรรมในการดูฟังได้เห็นสิ่งที่เป็นไปได้ฟังสิ่งที่ได้ดยินในเวาเนี้ยมันก็มีผลต่อจิตใจของเราทาให้เราจิตใจที่มีความสุขได้ก็ต้องพัฒนาสองด้านพัฒนาดีใจให้มันประสาน ร, รับสอดคล้องกันก็แค่นี้ก็เรี่มได้ ากับสุจยั่องะสุตายนก็เป็นเรอายนอกแต่ว่าเราองแค่สุขตายก่อนสุขตายนี้ก็ต้องมีสองอย่างคือความสุขชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นพื้นฐานรองรับอยู่โดยที่ไม่ตรู้ว่าสุขถ้ามียาณดีแนลเนี่ยนะจะไปฐารองรับเป็นความพร้อมเมื่อเมื่อไรเราไปเจอสิ่งที่เราเรียกว่าความสุดแล้วเราจึงจะได้รับความสุขแต่ถ้าความสุขที่ไปฐานนีไม่มีนะไอ้สิ่งที่ใช้ความสุขภายนอกที่ชอที่กอดใจนี่ก็าหมายหความสุขที่เป็นพื้นฐานบางทีเราไม่ไม่เรียกว่าความสุขในที่ ร่างกายของเราเนี่เราต้องได้ความสุขทางกายไปกินอาหารอร่อ ย, อยไปนอนรถเตียงอ่อนๆนุ่มไปฟัแลงตรต่ ย, า ย, ยงนาะี่เาอกเราเป็นความสุขทางกาแต่ว่ากายที่จะไปได้รับความสุขเรานั้นต้องมีความสุขพนานก่อนคืสุขภาพภาวะที่ร่างกายนี้สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยเีบยถ้าท่านไม่มีสุขภาพา ย, ต, ายตัวสุขอะเป็นฐานคืความสบร ข, ข, ข, ข, ของร่างกายโรคภัยเปียเียเจ็บไม่สบายดูอหาหารกินเบื่อเลยใช่ไหอาหารที่อร่อยรสละาทันทีแล้ไม่อยากกินอาหารที่เคยอร่อยชอบนั่งน่อุตส่าห์ขับรถจาก ผ <si okay? <si <si ู้ชาเที่ยวตน้อนบินขามไปไตเนี่นอนอยูบเตียงเจ็บไข่เนี่ขาเอามาติดเตียงเลเขาแพ็คแเอาไว้แ้ไล่เลยนะอาหารที่แสนจะโปร่อย่างที่นั่นไม่เอาเลยลายเปลี่ยนหรือนี่เขาสุขภาพไม่มีะสุขภาพกายนี่สาคัญมาาคนไม่รู้่าต้องเร็นมีสุขภาพกายมีความสุขพื้นฐานแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขความสุขที่จะได้จากการได้ดูทีวีได้ฟังเสียงนรี้ก็ามาได้แต่ว่าถ้ากายมันไม่รับใม้เอาแล้วนี่มันหมดเลยความสุขอันที่จะมาทาใจอีกเพราะความาฉะนั้นต้องมองว่าสุขที่เป็นฐานอันนี้ด้าน ถ้าใครมีสุขภาพกายเปาแล้วเขาะจะพร้อมที่สุดที่จะได้รับความสุ า, ายเกเ็บริแต่ถ้าสุขภาพเสียแล้วมันจะรบกวนทำให้กา ร, าการสเสอถ ข, ขาเนี่ยไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์บกพร่องไปมากหรือแม้กระทั่งไม่รู้สึกเป็นสุขหือแ้กระั่กลายเป็นว่าสิ่งที่จะให้ความสุขกลายเป็นควมผเป็นอ่นใช่หนี่ด้านจิตใจเหมือ น, น, น, อ ก, นกันแต่จิตใจนี่ละเียดกว่พูดทางกายเรียงนง่ายแต่ใที่เราไม่ถึงนึกวกาที่สุขภาพกายที่ว่าอยู่ในระดับที่เรมสุขภาพกายนีก็มีกันมากคนจำนวนมากอย่ ายสุขภาพดีที่สบูเยพระพุทธเจ้ากรับว่าคนที่ไม่มีโรคทางกายยังพอพูดบอกยื่ยันคำพูืได้ชันไม่มีโรคเลยตลอดเวลาเดือนหนึ่งไปีนึงปีคนวาสปีนี่มีหวงพนี่งท่านบอกท่านไม่ลัวยเลยในตอนีไม่มาที่83บปีแล้วกระเพาะผานี้เมื่อไม่กี่วันท่านเดนเดินเดินไปเดินหลักตาอายุแปบสาแล้วระเพาตอนนั้นไม่ทำารพาะก็เดินไปแล้วก็เดินหลักตาก็เลยเดินไปข้ามหนึ่งไปสดุดขอบกระเาะเลยล้ลงไปในท้องตรงในทองก็จะนี่ไหลนี่ไปฟาดเอาไอ้ผานข้าง เรไปนกรงแล้วก็เลยหาวไปว า, ากระดูกไหปลาราหากักเอาไปข้าวโรงพยาบาลแล้วกลับมา1ิวันกระดูกติดหวอมไม่ต้ให้ติดเลยมันได้เดือนสองเดือนไม่มาแล้วตอนที่กระตืะะตไ ม, มีโรคไข้ไทฟอยไม่ต้องใช้ยามีแปดสปีเรียกขยยึ้นเขาต้ลายในแปนาทีถึงยอดเขาที่ถนนสรรเนี่ยะที่มีสุขภาพกายยืดหนได้เน เ, นเวลานานย่หนึ่งแต่ว่าที่จะยยาก ม, มีสุขภาพิต ด, ดีนี่แม้แต่เพียงแค่ชั่วชั่วโมงเดียวก็หายได้ที่จิตใจไม่มีอารมณ์อะไรที่จะมาแแค่เราายุตรบ เดี๋ยวตากลวมั้งเี๋ยวตเกยมั้งเดี๋ะทน่นกะทบนี่ขัดใจโน่ขัดใจนี่มองเห็นอะไรไม่สบายใจได้ยินเสียงอะไรัหูรือไม่มีอะไรเลยไม่มีใคราทอะไรเลยใจเองนั่งคนเดียวเป็นเรื่องเดียเป็นข่าวจะสบายขึ้นาใช่ไมเนี่ยดังนั้นสุขภาพจิตที่สมบูรณ์นฐานะเดียรงรทจาจะบอกพีในพรรังตวานทีสุขภาพจิตสมบูรณ์ทีนี่สุขภาพจิตก็่เดียวกันว่าเ็นฐารองรับความสุขอนทั้ง้านจิตแลม้แต่พอระทันใจด้วยถ้าคมีสุข มันต้องดูจดีๆไปสวยสุก็ไม่มีอะไรที่มันค้างใจไม่มีอะไรรบกวนใจโดยเฉพาะสิ่งค้างใจนี่สำคัญเลนมีไอ้ตัวอันนึงก็คืออารมณ์ค้างใจไอ้ตัวสิ่งค้างใจเนี่ยมันเข้ามารบกวนตลอดเวลาเลยทีนี้ก็ทาให้เราสวยสุยต่างๆไม่สมบูรณ์ทีนี้ถ้าใครถามว่าาให้เกิดสุขภาพิีได้จิตใจนี่เ็บริบูณไม่ถูกรบกวนไม่มีอะไรเสียดแทงไม่มีอะไรรบกวนขึ้นเนี่เขาจะเป็นผู้พร้อมที่สุดที่จะสวยควมสมรณ์เพราะนั้นคนในโลกนี้จำนวนมากเนี่ยท วาไปางน้ถ้าเราได้สุดอย่างนี้นั่งสุดอย่างนี้จะอยู่กัรตอใช่แค่นี้ก็ทาให้ความสุขสวนี้วงหวไม่สมบูรณ์ไ่เต็พอหรว่าเกิดได้สูตไปแล้วถ่ายไปสีด้ายเนี่ยเนี่ยเกิดสภาพสีดายนี่สีรสภาพจิตไมลยน่ยพอห่าาส่งที่ท้ายความสุขเกิความรู้สึกบ้าเวร์แบบนี้แหละถูกใช่ไหมสุขภาพจิตเสียนี่ไอตัวนี้แหละทำไงที่จะให้มันหายไปให้มันสมบูรณ์เป็นจิตใจที่สมบูรณ์ได้ตลอดไปเราจิตสมบูรณ์นี่เป็นสุขภาพจิตที่คราวนี้จะสวยสุขอะไรก็เต็มที่ พระเจ้าประเสริฐิโกศลน่พาระเจ้าพระพุทธเจ้ายังทรงเอใส่เรื่องสุขภาพของพระเจ้าประเสริฐิโกศลย่างนี้ว่าพระเจ้าไจัดร่องปิตใจนะหน่งพระเจ้าประเสริฐนธิตโกศลไป่าพระพุทธเจ้าให้อ้อมทรงสบายนะสบวิจุ้วจะุ่ยอายนั่งจะนั่งลบากอันี้ไปาพระพุทธเจ้าพอลมนั่งก็ต้องนั่งลำบากไม่สั่งองนั่งอุตส่าหแต่ว่าพอนั่งไปแล้วก็อุาก่าห์สบวิจุตหน่อยสบตเต็มที่เลไปนั่งที่สองพาพระพุทธเจ้าก คนที่มสติรู้จักประมาณในการบริโภคแล้วก็อะไรถ้าว่าจะมีความสุขอายุก็จะยืดด้วยอะไรทำนองนีง เ, เจ้าประศันะเพรว่าพวเพระเขาพิจาราจะแก่ช้าแล้วก็อาจจะมีอายุยืนยาวด้วยพวระเจ้าปเนทสกศลสงาจ้าสักด์เกิดท ร, ออ ง, รงเข้าปทายในารักในนาบนของอระพเจ้าก็เลยเออเราไม่ได้ละ้เราจะสะยสิอย่างนี้เรื่อยไปท่า่ยไม่ดีแน่นะทกที่เห็นเจ้าก็คือ้านในขณะทีมาพิาเนี่ยก็เลยว่าอแก่อะไรรว่าราชบัณฑ์ลบสิทติดตามเป็นหลานของพระอง แล้วเวลาเราสรุปีไรนอจะเิักจะตัช่อแรกขึ้นมาเลยเนี่ยเพราะว่าข้นมาจะได้สะดุดนีือการเสติเะะนเราจะเือนระพุทธานะบ่ก็จะตวงเงนไปนี่ก็เลยว่าถ้าหลานท่านทุนนี้ก็เลยทํานไว้เวลาพระเจ้าประเสิฐท่านที่โดยสมจะเล่นสรวปพระเจ้าหลานนี่ก็พักว่าขึ้นมาทันทีว่าขึ้นมาพระเจ้าประเสริฐท่านที่โดยสมก็สะดุดสงไรพระสติก็สรุปจะอเปนาในนักการพระองค์เองแวสรุปพอประมาณแล้วพอมาไปคนเวลาผ่านไปพระองค์ก็มีพระบรมายกับพี่กับสางขึ้นก็นหนึ่งพระ องศาสนาประโยชน์สุขใจเราแม้แต่ที่เป็นปฏิบัติตามงเหด้วยในวันที่ะทำาห้กับเาดยที่สุขภาพร่างกายฉะนั้นอันนี้แหละสาคัญนะเราก็จะต้องมีสุขภาพกายดีนี่เป็นฐานในการที่จะได้ความสุขภาพแต่ที่รู้่วนั้นก็คือมีสุขภาพจิตที่ดีเพื่อเป็นฐานในการสขขาความสุขั้มงมยจะไปมองลเียวว่าเราจะมีความสุขอะไรได้บ้างอะไรได้บ้างนะันต้องมีอันหนึงก็คือความพร้อมที่จมีความสุก็คือตัวสุขภาพเราจะเป็นความสุขชนิาหนึ่งเป็นความสุขชนิดที่เรียกว่าไม่เป็นความสุขใน กได้เากคยจัดภากาที่เรามีสุขภาพกาสุขภาพูณในความสุขสำคัญเลยในความสุขพื้นฐานเลยะพระพุานจะเน้นการสร้างภาวะที่เป็นสุขภาพสมบูรณ์ไร้โรคทางกาดเฉพาางจิตใจนี่ให้มีสมได้เพราะอันนี้ไร้โรคทางจิตแล้วเนี่ยก็คุณจะไปส้วสุขในเรื่องของคุณใช่ก็คุณมีความพร้อมอยู่แล้วไม่ต้องไป้อนว่าจะไปหาความสุขอะไรอีกแต่สร้าาพร้อมที่จะมีความสุขันเรามีความพร้อมที่จะมีความสุขไหมถ้าขาดอันนี้นะสุขภาพจิตมันมีแหละเราจะไปเสนอความสุขอะไรมันก็ไม่เจ็บปิดเรามีป และสุนั้นไม่ส่งผลกับมาพิพเลยนั้นพุทธเจาก็ถปัติไว้มีคาถาคาถาหนึ่งคืาเดียวของไทยเนี่ยจำกันแน่น <EST> จำกันว่าอะโรพยาประมาละแลว่าอะไรความไม่มีโรกความไม่มีโรกเป็นลาบอันประเสริฐหรือลาบอย่างยิ่งแต่ที่จริงเราจำเพี้ยนไปที่หนึ่งภาษาบาลีเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้หรอกที่เราตัดให้เาบลินไท่เราปับลิทไทเป็นอะโร้ยาปรมาละภาษาบาลีว่าอโรพยาปรมาละลิทไทยไม่คล่ไม่านักอะรลียนอโรพยกปรมาละลความไม่มีโรกเป็นลาอันประเสริฐหร่อลาบอย่างยิ่งดีกว่าทีน พามผู стати, unit, ้นี้ก็กล so <wh> ่าถ <co> <picnic. Haha. S 2> ึงพระเจ้ายธรรมนิพานไรางเาก็ขยายความหมายแค่สุขภาพาม่มีโรเขาก็ลูกอเขาตอพระพุทธเจ้านี่ไงขราพเจ้าสุขภาพแข็งแรงพระพเจ้ามีลักแหงหนึ่งท่านได้กล่าวตันอว่านี่เป็นความหมยท่านบุถนความหมาที่แท้ไม่ได้อยู่แค่นี้ได้โรคกลมาราพาวม่โรคเนี่ยที่ท่านกระแค่ีโรคกายแต่ละความมาที่แท้นี่เราต้องการหมายถึงความไม่มีโรคทางจิตเลยนี่แหล่งที่สำคัญยิ่งดันั้นคาถาอนนี้ที่เต็มจะมีคำตอบด้วยนะไม่ได้จบแค่นี้โรคพญกลมาราพา แล้วผนั้นจะเป็นผู้พร้อมที่สุดที่จะเฉยความสุขทุกอย่างอย่ทจริงแม้แต่ตัวเองบ็หลังแต่เขาจะเฉยสุขอะไรหรือไม่เฉลยก็แล้วแต่เขานีจะเห็นว่าคราบที่ท่านพัฒนาตัวเองขึ้ไปตามลำตัวในทางจิตเนี่ยสมัยที่สีด้านทางกายสิ้จิตบรรดาเนี่ยโสตานุใบเป็นเพียงบุคคลแต่โสตานุตาธรรมเวลาทำมเป็นพรรหันจะเยป็นชั้นเจ้าเราจะเห็นว่าไปถึงโสตานี่เป็นตัวคราบเกี่ยวทุกข์ในความเป็นผูบุคคลเนี่ยโสาบันเนี่ยจะยังครองอยู่เนี่ยจะยังมีปุ แต่ความทุกที่ยังมีในใจของพระโสดาบันนี้ถ้าเราก็วงเออดูว่าทุกต่างกันมากขนาดใช่มามอะไรก็นครรัวทีากนเเอาละเนี่ยแค่เป็นโสดาบันเนี่ยทุกก็เป็อยู่แล้วแต่พระโสดาบันนี่ยัมีคอบคัวยังมีามีปัญญานี่คือโสดาบันทุกคนที่้าอยู่ในโลกอย่างไรมีครอบครัวเป็นต้นอย่างไรซึงจะมีความสุขมากที่สุดนอยที่สุดเนี่ยต้องมีสุขภาพจิตที่ดีที่สุดเนี่ยพโสดาบันเนี่ยไม่ใช่บทพาเศษที่ชื่นชมนะถ้ามีบ้างแต่ว่าเน อย่างน้อยภาเกี่ยวระว่างขนาุณผูมทัวไปก็เรียากาาครับค้ือบนชั้นดีเป็นกลยาครับผู้ชหรือกาละยาคแค่นั้นก็มีความสุขมากแล้วนเราไม่เอาในขนาที่ว่าพุกหรือเท่าก้อนดุจเลยนะเอาเท่าไรดีระหว่าที่าจะพุกของผู้ติชนที่เท่าับามีมาลายนี่เราเอาแค่ไหนเราพุกเท่าถ้ากระทองหรือเท่าเท่าก้อนเป็นอยางดนะพรามันเล็กไปนี่แหละก็คือการพัฒนาคนซึ่งเราจะต้องพยายามทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีทุกข์หรือน้อยที่ที่ามเป็นข้อละอันแล้วท่าน อันอยากจะนอกเรื่อนหน่อยนะจะให้ฟังดยก็อยู่ในประสบที่ จ, จาัเรื่ององรารมณ์ยมาณห า, านเลยคือว่าวสุขภาพกาสุขภาพจิตที่เป็นานความสุท้งหายก็พระเจา้ากยตรับเรื่องว่าฐานนี้ที่แท้ละหมายที่สุขภาพจิตใจมันทนิฐานนั่นเองนี่ก็พูดถึงคนหาความสุขนในโลกเราเห็นว่าคนเราเนี่ยจะมีต่างกันความสุขเอา เ, เอาเรื่องสุขภาพากายนสุขภาพกายนี่คนที่ไม่มีสุขภาพกายนี่เขาจะมีความสุขบางอย่างซึ่งไม่จะเป็นเนี่ยเอาอย่างไรขอให้ดูยกตัวอย่างพระเจ้ายกตัวอย่างคนเป็นโรคเรื้อรังใครต อาทีนี้คนเป็รเรื้อนเนี่ยนะตอนแรก่อนยังว่ามีวิธีรักษาดีา่คนเป็นโรคเือนเนี่ยแกขัดแะเป็นแผลตามตัวทีนี้แกก็ขัดเพราแกขัดแล้วแกจะเกาแล้วแกจะมีความสุขจากการเกาเ <c oughs> ช่อไหมเนี่ยถ้าไม่เกาแล้วทุกแน่เลยใช่ไหมแล้วมันเกิดขัดขึ้นมาแล้วมันทุบล้วนี้แตก็ได้เกาที่สุ ข, แ, ขแล้ ว, ล ว, ลวทีนี้พอเการมันก็เป็นการทํร้ายตัวเองงก็ยิง่งถ้าอเป็นแผลก็ช้ำอกไรต่างๆนี่ก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งขัดก็ยิง่งเกายิ่งเกาก็ยิงย่งขัดใช่ไามแล้วทีนี้อีกทางหนึ่ นีคนในโรคเนี้อนนีชอบไปหาไฟผิาธรรมดาก็ยังไม่สุดเท่าไหร่ถ้าได้ด่าตัวชนิด้อยที่คนธรรมดาตัวสบายหวนี่กจะมีความสุด่แลคนโรคเร้อาเชเตาที่ทันแล้วมันยังไม่พอนีมันมีความพุบมากอเอาตัวไย่างไฟาตัวย่างไแล้วมีความสุดการได้นัอนเลยเป็ความสุทคนธรรมดาไม่มีเยัรว่าามสุจตการเตาที่ขาความสุจตการอตัวไปย่างนี่มันแต่จะกระตัดต่อมามีหมอที่มียาดีมารักษาคนในโรคนี้ให้หายเป็นกระทั่งร่างกายก็สมบูรณ์แพเรือไม่มีแล้วเลี้ ต้องมีสิ่ด้คำไม่เอาและถามว่าเขาจะไปหาคสุขจาการเอาตัวไย่างควายไหมไม่เอาไปทุกเลยคือไปยอย่างนันร้อนจัดตายใช่ไหมอนตอนที่เป็นรถเรือมาแบบว่าสุขแล้วเสิมแต่ตอนที่เขหายไปแล้วนี่ผู้เจ้าหลัยาววาแต่สงที่มีความสุของแบบหนึ่งภาพสุขจากการเต่าที่ขันอีกพอหนึ่งวามสุขจากการไม่มีที่ขันจะต้องเกลอันไหนสุดกันเอออันนี้นะอะไรไเอาต้องมีสองอย่างใช่ไหมเนี่ยที่กำลังกายใช่ไหมแต่วันนี้ผู้เจ้าอุทมหมายเห็นภาพสุขจากการเต่าที่คันเป็นภามสุขจารไม่มีที่ขันจะต้องเกาไม่ แล้วแกกไม่เอาวยวไมเ ก, าเ ก, าเ ก, าก่าเรื่องอะไรเกาเยกจนรียกปย่างตัวไม่เอาด้วยหรอกนีน่นี่ข้ออันหนึ่งนะนี่กล็นมาททีนี้พูดในเชิงวิวัฒนาการมนุย์จะตัดบอ ก, กว่าเอาแล้วนะคราวท่เกิดมาเรืองต้นเป็นเด็กอ่อนๆนอนในบาเป็นทารกะที่นอนแฝบ อ, อกนั้นแกขอใครเถิดถายปจะรับก็กต่อว่าฉนม่าคู่มุกออกมาเล่นสนุกเลยใช่ไหมเด็กมีามารุในการเล่นคู่มุกของตัวเองประมาเด็กกระตขึ้นชักวิ่เล่นแะละตอนนี้มีความสนุกสนานเกือบถึ้น สมัยก่อนมีรถน้อยๆเรือน้อยๆทั้นูน้อยๆอะไรต่างๆในท่านใช้ทำกันหมดทนี้มีเอนะยอะในีนี้ก็มีรถไฟเครื่องบินมีอะไระต่างๆมีนเล็กๆอะไรปเา เ, เล่รดาดับเลนเนี่ยของเล่นเยอะแยะหมดล้วล่เล่นดินเล่นทรายเ ก, ก็มีความสุขการเล่นสิ่งของเครื่องเล่นเหล่านี้นะพว ต, ตุ๊กตาเป็นตัวน่ว่าแล้วจากความสุขแว่ที่จะผุ้งแผนมากแนะเป็รักมากเามันเป็นสิ่งที่ให้ความสุขแก่แกจะรักาชีวิตเลย น, นะของเล่นบางอย่างนี่แกหึงว่าไทยไปแตะไม่ได้นะไปร้องจ้าเลยใช่ไหมนี่ผู้ใหญ เล่นมีความสุกับลูกชายกเล่นเหล่านี้ผู้ใหญ่ก็สนุกในอการเดกกไม่ได้มีความสุ ข, ส ข, สข ด, ด้วยกับเรื่องการที่จะมีเครือเล่นลนน่ใช่ีต่อมาเด็กนโัโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เทที่ท่านบอกว่าก็าจะมีความสุขจากการสวงาการผลุรนร่วมลสงต่างๆตอนนี้ก็จะไม่เห็นความสุขจากการเล่นเคื่องเล่นของเด็จที่ตอไปมองดูแล้วจะเห็นเป็นเรื่องไม่มีความหมายทีนี้าบอกว่าตอไปพัฒนาประดิษฐ์เนี่ยมีความสุขอย่างเป็นอนยักรจะเห็นการแวงหาความสุขตามุณของผู้ินเนี่ยเหมือนอย่างที่ผู้ใหญ่ และปัญญาด้วยเนีกว่าไปแล้วดนั้นเราต้องขยาสภาพสิทของท่านเหล่านี้ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเอตามธรรมดาแต่ว่าบางทีอันนก็เิฐานความรอมที่เรียกว่าความสุขที่ปฐานที่ดุก็ือตัวสุขภาพสุขภาพทางกายเป็นฐานของความสุขางใจและสุขภาพจิตก็เป็นฐานของความสุขทางจิตใจรวมถึงความสุขทางด้วยทั้งหมดความสุทางก็ต้องรามไปด้วยจิตด้วยอันี้เมื่อท่านมีสุขภาพจิตอนี้เป็นฐานแล้วท่านก็มีสิทธิจะสวยทุกผู้กล่าวได้และสวยได้ด้วยความสุขเต็มที่เต็มที่แต่ท่าน เอาแล้วทเลาะกนีก็เป็นเรื่องของการพูดเชิงบุคคลเอาหมัยให้เห็นนีเมื่อเราพัฒนาไปนี่มันก็เป็นไปตามลาดับของความเจริญรุ่การาอย่างนั้นเราก็มาเรียนรู้วิธีการเพื่อจะพัฒนาชีวิตของเราทางตายทางตายหผู้เต็มมาท่าตยปีเปันแเนี่ยให้มันก้าวไปสู่ความดีงามและความสุขมากที่การพัฒนาที่ถูกต้องนั้นไม่ได้พัฒนาไปเพราะความดีความดีงามที่แท้นั้นจะมาด้วความสุดด้วาามดีงามไม่มาความสุดแล้วจะเกิดการขัดแย้งแล้วความดีงามนั้นเองก็จะไม่น่าขูด ครไปนมาเราก็บอกว่าือจิยรรมมันเป็นเรื่องความระพฤ้เป็น่พฤติกรรมภายนอกการบักาเรื่องของทังคงก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอกเต้องมีจิตใจด้วยเราก็เลยบอกจริยรรมไม่พอต้องพัฒนามาทาด้วยคุณจะทำราก็เลยเน้นกันว่าเีนี้เวลาพูดจริยรรมเรพูดควกันไปว่าคุณจะทำเรื่องจริยธรรมถ้าจะนังแผลแผลการศึกษาอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีทำเนี่ยคุคุณจะทารื่องจริยธรมคุณจะทำเรื่อพจริรรมเรื่อยๆเลยแต่ว่าเป็นการแสดงถึงความที่ยังดเนินพัฒนาบรรลุไปถึงบรณาการเพราะ แล้วเขาโยงคุณธรรให้สุขภาพดีกันได้ดังนั้นตับพระพุทธเจ้ให้ไปแล้วเนี่ยไมอมาใช้เจาะใข่มหาแต่งตับใหม่ๆที่ได้ทำก็เป็นบาดแผลใหม่คุณธรรมก็เป็นตับชั้นรองไม่ใช่ตับเลยเรื่องน้นเรื่อจิตใจใจของเรานอกจากมีเรื่องควาดีความชั่วมันมีได้ความขึ้นขาความออกแอร์อีกใช่ไหมแล้วยังมีได้ความเป็นความผ้ดมันเปพัฒนาคุณธรรมในเดียวมนไม่ไอหรอกดังนั้นพัฒนาเรื่องความสุขความปลอดหลงสมชื่นความใส่เบิกบานของจิตใจอะไรเงี้ยจะมีพระพุทธเจ้าเน้นออกองเใจ ใครทำใจนี่สดชื่นสดร่าของใจนี่จะล่อเปราไในกาปิาณแลวน่ยนีค้าทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ขัดใจโดนกระทบีกระทบนใช่ใจคุณมัวเร้าหมองคุ่นวายอันนี้ถ้าเราทำใจสดบ่าหน้เริ่ดชื่ออยู่ได้เนี่ยปาหมดเราจะจัแต่จัดเครื่องวัดาใจนการปฏิบัติธรรมหึ่งมีตลาหมดมองมีปิติความิใจโอ้ิดใจนี่ก็สำคัญนะใจได้เห็นลูกจะเริเติบโตงมงงานลูกก็พูดในการสอนเราเรียนีตั้งใจเีนเห็นลูกอะไรคุณแม่แบปลื้มใจดีๆอย่างนี้ในนี้เป็นต้นเนี่ย ได้ข่ีขเราจะเห็นตัวเราก็ตาม้เราเรียนอยู่ใกล้อยู่ที่บ้านก็เห็นความก้าหาญในการเรียนของเราถ้าเราไปเรียนอยู่กบ้านได้ข่าวว่าเราเรียนกล้าหาญประสบความสเร็จั้จเรียนดีมาได้ยิข่าวนี้พ่อแม่ก็จะปิติยิ่นใหญ่ขึ้นใหเนี่ยภาพปติอย่างนี้อาศัยคนอื่นหรือยังลูกก็ปิติเด้แล้วคุณพ่อคุณแม่ให้ใช่ไหมพ่อพี่พ่อคุณแม่ให้ของที่ชอบใจก็ปิติยิ้มใหญ่ปิติยังต้องอาศัยคนอื่นใช่ไหมที่นี้ปิติในตัวเองก็ทำได้ต้องมีจาตกำเนิยจิตใจมีปิติยิ้มใจที่เสมอนล้วกนมีป นึงตามตื่อวัีสสามปิบติปฏิบามสงบจิ ต, ตผนคายกายใจเป็นสภาพจิที่มีสุขภาพอันหนึ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ให้เราสร้างประจามจิตปัจจุบันเราขาดอย่าทีา่นแะค่ปัญหาไม่ได้ปฏิบัต่ปลจริงถึงสุดพอปฏิตีแล้วก็สุขมาสุขก็เป็นภาวะที่ใจมันไม่มีอะไระนะรบกวนเน่ยคล่องโล่งโปร่งสะดวกยังทำใจไดสะดวกทวกันทะี่สุฒิทำอะไรคล่องร่งไม่มีอะไริดพันภาวะสุขจิตสงฆ์ว่ากระทุ้บกระทุ้บก็ติดบิดันบิดพันติดขัดขับคล่องอันนี้อีกวาุ ต้องไม่มีอะไรามาติดขัดไม่มีอะไรามาบีบแล้วก็ตอบไปก็สมาธิก็จะมาสาหาอันเนี้ยใครสร้างไว้ประจำใจได้แล้วะเข้าสู่แนวทางของความทีุ่ะมีสมบัติสิทธิ์สมบูรเด็กาพคนปฏิบัติธรรมแม้ยงจถึงที่เราจะดักลายลายมีุณธรมต้องที่แข็งแรงตที่บางคนปฏิบัติธรรมไปแล้วเครียดใหทุกข์ก็มีแต่แรงปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกมันต้องมีงนี้ต้องมีปลาโมดมีสิปฏิบัติสุขสมาธิพอถึงสมาธิก็คือสภาพจิตที่มันสมดุลสมดุลที่ิ้งมันต้มีตัวตนและรูปเวย์ขา ถ้าได้แค่จิตอย่างเดียวเรนได้แค่สมาธิครับปัญญามาที่หมดพให้เกิดอุเบกขาเลยแต่อุเบกขาพะทุเบกขาอย่างที่คนไทยพูดนะเบกขาใจพูดวเฉยเฉยเฉยมันมีสองอย่างนะคือาพรา อ, อุเบกขานี่มีสองแบบอุเบกขาที่เกิดจากปัญหารู้ความจริงแล้ววางใจได้ดเลยเนยะื่อคนรู้เข้าใจทุกอย่างจะทาอะไรเมจวัร น, นคนอย่างนี้จะใจเข้าถึงสภาพเป็นดเลยใช่ไหมทีนี้ครอีคนหนึ่ง่วยเขาไม่รู้เขอไม่รู้เรื่องราวอะไรมันเกิดขึ้นก็ไม่รู้ก็เฉยใช่ไหมเฉยอว่าง ไม้ผู้สอนใช้ไม่ได้เนี่ยเฉยโมก็เฉยไม่รู้เรื่องมันเฉยไม่เอาเรื่องแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องทีนี้ถ้าเฉยได้ปัญญาเป็นเบิกขาแท้นี่มันเฉยรู้เรื่องผู้อย่างดีจะด้วยเพราะรู้เต็มบริบูรณมันถึงเฉยได้่ทีนี้พอเฉยรู้เรื่องแล้วมันเเอาเรื่องที่มันจะปฏิบัติแต่ว่ามันปฏิบัติได้โดยรู้รู้ว่าจะทำเมื่อไหร่จะวาไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นมันสบายจินสงบแล้วก็เฉยได้เรื่องเพราะมันรู้เรื่องนี่มันทำอะไรมันก็ได้เรื่องนะแล้วเฉยที่เป็นเบิกขาได้จะเฉยรู้เรื่องเฉย เฉยรู้เรื่องอย่างดีเนีเป็นอเเุเายกตัวอย่างที่ว่าเวลาเหตุการณ์ที่นาสกตกใจเนี่ยพอว เ, เรื่องราวสนกตกใจก็จะมีคนแบ่งได้โดยผภาพเปาพวกพวกที่หนึ่งนี่คื อ, คอรู้รึ้เรื่อะไรก็คือจะเฉยเนี่ยทีเรียกว่าเฉยรู้เรื่องเป็นอุเบกขาโหเรียกว่า อ, าอาัญาอุเบกขาทีนี้สองพวกรู้ขึ้นเป็นรู้ขึ้นหรือรู้แล้วแต่ว่าจะทำไงดีไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงดีพวกนี้อาจจะเอะอะมาเธอรู้ขึ้นเต้โวยวายันนี้ทำให้เรื่องใหญ่ทุกทีไหมทำใ้เรื่องตัดส่วนรุนแรงนักเขาไปแก้ เห็นแทางวิธีแก้ปัญหาจะแก้ที่จังหวัดไหนพวกนี้สงบเลยใช่ไหมแอนจะสงบแล้วอะไรจะรอจังหวัดรอจังหวัดนั่ปฏิบัติการเป็นขันๆครั้งซ้อมได้เรื่องราวทุกอยางร้อยโดยที่เราตั้งใจไปถือแบบที่สามไถือแบบนี้แบบที่สองแล้วพวกที่สอไม่ใช่พวกเฉยเป็นพวกดุเนที่สาี่ก็เป็นพวกเฉยประเภทดูเรื่องเปกันยาวสงบเนี่ยแล้วไปกินมันได้ดูมีภาพเพรายามมาแล้วิมันจะลงตัวเลยนะถ้าเรนอีกอย่างเอกว่อสารสีที่ชื่อชาในการถเราเียดเทียบคนขับรถสมัยก่อนก็ขับรถมาคนที่ขับ ใช้คอไม่สบายเลยนะมันห่วงมันาดมันต้องวนไปหมดเลยจะเอายังไงจะเข้าทางจวิ่งาเเท่าไรคอต้องกวนเครียดเต้น่จะขยับดึนบางเหยียจะลงแทะอย่างไงจะทำไงเอาครับไม่มาวิ่งอยู่ในทางในาพาเร็วพอดีแล้วเนี่ยนะมันห่วงกังวลไปหมดเลยทีนี้พอสารีนั้นเชี่ยวชาญชำนาการถรถตอนนี้แหละแกก็เพียงว่าอพอลขับรถออกาเท้าถนนแกก็ดึนบางเหยียแกก็ลงแทะอะไรให้รถเข้าทางพอเทางดีจัดการควบคุมาเร็วพอดีรถเข้าทางดีและาเร็วพอดีเลนั่งสไาลเลยใช่ไหมน่งบน่งตลบดู การมีารู้นเรื่อการขับรถมาเนี่จะ เ, เปลนเป่ยนใจเพราะฉะนั้นการ้อมตลอดถ้าม้ามันขยับตลอบลองทางซักหรือว่าความเร็จะมีที่ใด ต, ต้องการเนี่ยใก้ไถ่ายได้ทันทีทุกนัดการรู้พร้องและการไม่มีกงวเลเลยจะนั่งเอนหลัสบายใจเลยภาวะจิตหน่งเรย่าเป็นผู้เผขเหมือนกับคนที่ยูในโลกเนี่ยเราแต่ละคนเนี่ยไม่ชำนาญชีวิตจะดำเนินชีวิตอย่างไรมีแต่ความวุ่นกังวลอะไรคือขึอ้นอะไรคือขึ้นจะทำยังไงเนี่ยมีชีวิตที่จิตที่มาวุ่นกังวลห่วงมีอารมณ์ท่านใจมีผัก ก็เลยพอดีถูกเลยว่าได้เวลาฉันเเดี๋ยวขอให้พูดเรื่องเปขาได้จบโดยพัฒนาไปไม่ถึงไหนพัฒนาได้ทีเดียนดีพัฒนามาถึงขั้นพอให้รู้แนวยนะยังไม่ได้เริ่มการพัฒนาแท้เอาพอให้รู้ลักษณะก่นจิตขานหันเนี่ยเป็นจิตพัฒาสีขับรถที่เชี่ยวชาญดำเนินชีวิตไปในความรู้ใจลงตัวุกสิสส่างโลกมัชีิแล้วไ ม, ไม่มีควา ม, ามวอะไรเลยอะไรจะมาะมาท่านาใจาได้ถูกเจ้าแห่งการมันใจท่านท้งทุกอย่างแล้วแลไม่มีรายระคายถึงมก็สบายนี่แหละคำว่าจิตท พูดวายใจมันมีอะไรก่อย่ที่ว่าย่งน้อยจิตมันมีสิงที่ข้างใจตลอดเลาฉะราะนั้นมันไม่สามารถเมุนเจ็ดทีแล้วความสุขที่ข่าวรัไม่เจ็ดทีเอนเพามีตัวกั้นตัวขวางตัวขีดกันตัวรบกวอยู่ตลอดเลยนะาะนั้นถ้าเราหันมจิตดูว่าความสุขสุเพราะหมายว่จิตผู้เบิกขามีอุลยภาพสมบูรณ์ลงตัวัทกิ่งทุกอย่างทัโลกที้ก็ิตจะดุลสารพลินที่สุขชาตในกาสีวานอมตลอดเลยด้วยปัญญาที่แจ้งแบบนี้เอาแล้วทีนี้กูเบิกขาที่ีหน สมาธินี้ทั้งวันแน่ๆสงกมั่นคงนจิตเป็นส่งตัวเองทั้งวันนี้ทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยย่ำลงอยู่ในจิใจได้และสามารถที่จะพัฒนาทำอะได้จิตของเรานี่มีสมาธิเรือเตาลีฐานที่มันที่รองรับมันค้อะไรอะไรที่อยู่บนที่มันนั้นมันคงนี้มันก็ตั้งอยู่ได้และจะรียน้นานาได้แต่ถ้าที่ตั้งนี้ไหวคงเพลไปอะไรที่อยู่บนเนี่ยดูไม่ได้ใีม่มันมีดีไมดีก็ล้มลงหายแต่ทีจะเรนจะีจะไม่ไหวดันั้นฉันจึงต้องให้ดิสมาธิเป็นฐานในจิตเพราะจิตมีสมาธิเป็น เขาแค่ต้นเต้สนี่ไม่มีไม่มีสมาธินี่ไมนมีตัวรองรับแล้วจุดกระทำพทัฒนาไมขึ้นความสุขพัฒนาไม่ขึน้ น, น, นหมดหมดนะครับตัวจะไดูได้งานจริงมันไม่มันคยอ ว, วันไหวถูควกคนลูกคุณจะแทะทิงแย่เลยวันไหวจะรอเวลาต้องมีสมาธิมีสมาธิก็จิตจะอยู่ตัวนะไม่มีอะไรลบกวนได้คิดเป็นตัวตัวเองจะรับอารมณ์อะไรจะรับไม่ต้องการอารมณ์ไรตางๆนี่สมาธิใช่ไหมงกาดูอารมณ์อไรแคู่แล้วมันจะรอเวลาที่ต้ริเงนก็เป็นตปตัวตัวเองบาะสภาจิตาประการเนียที่จะต้องพัฒนาแล ไัฒนาจิตสบายเลยดูที่ไหนก็ไปได้แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่งหนึ่งในกระบวนการพัฒนานั้นพัฒนาการในการัประทานยาตีเป็นรอในการรับประทานอาหารโดยเฉพาะปัจจัยดีต้องมีวิธีพัฒนาว่ากินอาหารอย่างไรจะกินด้วยอาหารที่ได้ปัญญาพอกินได้ัญญาก็จะเริมีความสุชนใหม่ต่ครณีกินได้าหาก็จะมีความสุขจิตการเโดยดีประมามีความกินได้ปัญญาก็จะมีความสุขชนดอื่นที่เกิดากัรรมชาและก็ต่อไปก็ยากอื่นปัจจัยารใช้เทคโนโลยีใช้ก็เสร็จหาความสุขจิตการเราด้วยเทคโนโลยีต้องเรียนต้องข เจะใช้าเรียนรู้ให้มือในการเอาไปใช้ในสนการณ์ีความสุขขแต่มีความุการเอาก็มีความการให้่อแม่มีความสจกการให้แลูกเีความจกการให้เพไรเขาสุขพัฒนาความในใจมีเตาต่อไปพฒนาศีลเขความสุขกับดรักาอบทให้มีภูานทานทำให้ทีวี้เป็นอิสระต่อความสุขต้องกัวเาสืบไว้จาวัภายนอกสามารถมีความสุขภายตังมวามสุขเป็นอระันาศีลนี้สุดท้ายพันาจิตใจได้ความสุขมากมายมีลูนทีดังแ ในี่แหละแเาแล้วเอว น, นี้ก็พูดไเป็นน้ำาจะตัดได้เวลาถ้าต่อมไม่ก็จะพูดไตบ้างพูดพูดกเยอะกขอฒนาอยู่อยากมีสุขภาตนนี้ก็ขอดีดีครับ่นมิาเป็นพื้นฐ า, านแนวทางในการพัฒนาให้เห็นว่าใพุทานาี้มรายย่อสรีดีการหมุทางแนวทางหลักการการพัฒนาชีวิต ข, ของเราสิ่ยางทุงทิงนี้และขยายทเป็นความสุขไปได้อย่างมากมายเยือเราจะมาต่เความสุขที่ชาวโลกเขาเข้าใจเลยมันมีสมมตานที่จะไปได้อีกยาวไกลน บารัษาทุกท่านที่มิตใจเนนทนที่นานหทนาท่มารทาและจิตใจที่มีสุรจิตมีไมติิาพเป็นคนขอถึงได้จะเือจะเบมีความก้าหน้าในการเจริชีวิตเพื่อความสจและ่ความสุนนี้จะมีมาพร้อมกับการดเนินชีวิตแการประกอบิการงานในบรัก็ยกสุดความเร็ท่านที่เป็นผู้มีใจดีเขาจะเป็และการสังคมรวมและตีความร่วมเื็น